ข็อความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประพฤติญาณในวันนี้จะได้พูดเรื่องอนัตตลักษณสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่สองที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ท่านปัญจวัคคีย์รับสั่งไว้ในตอนต้นว่ารูป ก, ก่อพภิกษุูทั้งหลายรูปเป็นอนัตตา ดูกวนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะถ้ารูปนี้จกเป็นอนัตตาแล้วรูปนี้ก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและสัตว์ทั้งหลายจะได้ในรูปนั้นตามแต่หวังว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอรูปของเราอยากได้เป็นอย่างนั้นเลยพิสูุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธต่สัตวย่ยอมไม่ได้ในรูปตามใจหวังว่า ขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดังนี้ก็มีประเด็นที่น่าศึกษาอยู่ก็คือว่าประเด็นเรื่องของรูปเราคำว่ารูปนั้นเมื่อเรามองโดยสรุปโลกทั้งปวงนั้นทันแยกเป็นรูปกระนามต่นั้นเองเพรามคำว่ารูปเรพูดง่ายๆคือสังเกตง่ายๆก็ ในฐานาที่โลกเราเป็นโลกทางประสาทสัมผัสคือสิ่งใดก็ตามที่เรารู้ด้วยตาด้วยหูด้วยจย ม, มูกด้วยลิ้นด้วยกายจึงตอนนั้นเรียกว่าราะะูปผลสียงที่เป็นรูป ก, ก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผู้ถ้พะคือเย็นร้อนหนอนแข็งที่เรากระทบนั่นเองประการที่สองก็คือเป็นอนัตตา วินาตาก็เพราะว่าหนึ่งเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เราไม่ได้สามารถจะสั่งว่ารูปนี้อย่าแก่รูปนี้อย่าเจ็บปู๊บนี้อย่าตายรูปนี้อย่าแปรผันไปแต่ประการใดรับประทานอาหารแล้วก็อิ่มอยู่ตลอดไปเป็นต้นเนี่ยเราไม่สามารถจะสั่งได้แสดงว่ามันไม่อยู่ในบังคับในบงการของใครแต่ประการใด ถ้าเป็นตัวตนของเราเราต้องสามารถสั่งเขาได้เราต้องสามารถพูดจ่าเขาได้แต่พอเขาไม่ได้เป็นตัวตนของเราเราจึงบังคับควบคุมสั่งการเขาไม่ได้แม้แต่ว่าใน ว, วัทยาลัทังกายเราผมงอกวันหักนั่งเหี่ยวต่างๆเนี่ยคือถ้ามันเป็นอัตตาตัวตนจริงเราก็สั่งไม่ให้งอไม่ไม่หักไม่เหีเ่ยวได้ เรว่าเราก็ไม่สามารถที่จะสั่งให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ประการที่สองคือทรงกันข้ามกับอัตตาคำว่าอัตตานั้นเป็นความเชื่อในลัทธิพราหมณ์คือถือว่าสปริชีวิตนั้นเป็นหน่วยย่อยมาจากมาตามันหรือมาหาอัตตาหรือว่ามาหาชีโวหรือว่าปรมาตามันก็แล้แต่จะเรียกเมื่อแยกย่อยออกมาแล้ว ก็กลายเป็นชีวิตแต่ละชีวิตถึงจุดหนึ่งชีวิตก็หมุนวนกันไปด้วยเงื่อนไขหลายๆประการนะแล้วก็กลับเข้าไปอยู่รวมกับปัจจามาตรมันก็คล้ายๆกับตัวตนเหล่านั้นนะแยกมาเดินทางไกลแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับไปสู่สถานที่ตนมาโดยความยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่แปรผันไปแต่ประการใด หรือบางครั้งบางคราวอาจจะพูดในแนวแปรผันบ้างแต่ว่ามันก็ย้อนกลับเข้าไปอยู่รวมกับตัวปรมาณตามันอย่างไงของความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นอย่างนั้นเพราะสัตว์ทั้งหลายนั้นมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมาอย่างความเป็นชีวิตเนี่ยมันเกิดมาจากอวิชาตานาอุปาทานแลว้วก็กรรม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 อนสัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรมอย่างที่ทรงแสดงว่ากรารย่อมจําแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประณีแตกต่างกันและสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมทําดีเราก็ได้ดีทําชั่วเราก็ได้ชั่วความสุขความทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเป็นประการสําคัญแสดงให้เห็นว่าเราก็ไม่สามารถจะควบคุมวิถีชีวิตเราให้เป็นไปตามที่ตนต้องการได้เพราะมันไม่ใช่เป็นอัตราตัวตนที่แท้จริง อย่างที่เป็นความเชื่อถือกันแต่เรื่องนี้ในแง่สมมติบัญญัติเราก็พูดเรื่องอัตราตัว ต, วตนกันอยู่นะเช่นสมมติระดับศีลอย่างเงี้ยก็มีชีวิตเราชีวิตเขามีท ร, ร, Buff, ร, รัพย์เรามีทรัพย์เขามีคู่ครองเรามีคู่ครองของเขามีเราสื่อสารกับเขาไม่เขาสื่อสารกับเรามีการเส็บสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็มีตัวมีตนกันอยู่ คือความไม่เป็นตัวเป็นตนหรือไม่มีตัวมีตนนั้นเป็นความจริงที่แท้จริงหมายความว่าเป็นความจริงที่ไม่มีการแปรผันไปเป็นอย่างอื่นแต่ว่าอัตราตัวตนนั้นเป็นเรื่องสมมติบัญญัติมันเหมือนกับการเล่นละครหรือมันการเล่นอะไรต่างๆการแสดงต่างๆเนี่ยมีการสมมติคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มีบทบาทเล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วก็ ไม่ได้มีใครเป็นอะไรจริงๆในที่สุดพอจบการแสดงก็จบการแสดงกันแต่ว่าในช่วงที่มีการแสดงมีการสมมติกันอยู่เราก็ต้องยอมรับในช่วงสมมติตรงนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาแม้จะปฏิเสธเรื่องความเป็นอัตตาตัวตนที่ถาวรยั่งยืนแต่แต่ก็ยอมรับอัตตาในแง่ที่เป็นความจริงของกีวิตประการหนึ่ง อย่างที่นิย่าแห่งพระพุทธภาสิทเป็นนั้นมากที่ทรงแสดงว่าเช่นว่าตนเป็นที่พึ่งของตนจงเตือนตนด้วยตนจงพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนแล้วก็ตอย่างที่ตั้งกล่าวไว้เป็นคากรอนว่าตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเมืออตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนจะแช่เชื่อเตือนตนให้พ้นภัยเป็นต้น มันแสดงให้เห็นว่าตรงเนี้ยเราก็ยอมรับในงแง่ของสมมติปัญญตัติมีเรามีเขามีพวกเรามีพวกเขามีเรามีพวกเราอันนี้คือการสมมติปัญญตัติซึ่งเป็นกติกานัดหมายก็เรียกวันโล ก, กภาษาโล ก, กนี้รุตโล ก, กสมัญญาโล ก, กสมมติคือก็เป็นการสมมติเป็นการตกลงนัดหมายกันในของชาวโลกแต่ในด้านความจริงที่เป็นปรมาทินั้นก็ ไม่ได้เป็นนาตาตัวตนอย่างที่ภรามเขากล่าวเอาไว้ตอนประเด็นต่อไปจึงส่งแสดงว่าถ้ารูปนี้จะเป็นนาตาตัวตนแล้วรูปนี้ก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธเกือเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเราต้องสั่งได้เพราะเราไม่ชอบป่วยเนี่ยปวดหัวปวดท้องเก็บไข้ไม่สบายต่างๆเราไม่ชอบเราก็สั่งไม่ให้เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่ไมอาพาธอะไ ร, ะไ ร, ะไรต่างๆได้ แล้วก็จริงเราก็สั่งอะไรเขาไม่ได้เขาก็คงเป็นอย่างที่เขาคงเป็นอยู่นั่นเองความเป็นหน้าตาอีกในย่าหนึ่งก็คือว่าเมื่อย่อยออกไปแล้วนี่เป็นของศูนย์เจนดินย่อยไปแล้วก็เป็นอ น, นิ น, น้ำลงไฟทั้งหลายเนี่ยย่อยไปแล้วก็เป็นธาตุผสมกับทั้งนั้นก็กลายเป็นอนูเล็กๆแล้วกลายเป็นปรมณูไปก็ไม่มีเป็น อัตาตัวตนที่ถาวอนยังยืนแต่ประการใดแระที่นํำคัญแย่างยิงก็คือว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรพุะเจ้าทรงแสดงว่าคนเราบ่นเพื่อไปว่านั่นของเราบ้านเดือนของเราฤกส่วนได้หนาของเราสามีบัญญาติของเราพ่อแม่ของเราเอาก็จริงไหมตัวของเราก็ยังไม่เป็นของเราจิิงเ่านั้นจะเป็นของเราได้ยังไงแต่ว่าในชั้นของการสมมติบัญญัต เราก็ต้องมีพ่อต้องมีแม่แต่วันอย่างวันที่ห้าธันวาเนี่ยก็มีวันพ่อซึ่งลูกที่ดีจะต้องแสดงความสำนึกคุณต่อพ่อของตัวเองดยการแสดงให้เห็นถึงเรามีความรักมีความเคารพมีความเติดทูนพ่อของเราแต่ในขณะเดียวกันพ่อเองก็ต้องแสดงต่อปู่ของลูกให้ลูกก็เห็นว่าพ่อเป็นลูกที่ดีของปู่เพื่อเพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูก ได้เป็นลูกที่ดีของพ่อแล้วในการต่อมาก็มาถึงหลานนะฮะหลานก็เป็นที่ดีของเป็นลูกที่ดีของลูกต่อไปอีกเรื่อยๆเพราะว่ามนุษย์เรานั้นก็ที่จริงก็ตามกันมาคนที่เกิดก่อนเขาเรียกว่าปั่นรปชนคือคนที่เกิดมาก่อนคนที่เกิดตามมาก็าเรียกอนุชนคือคนที่เกิดตามมาซึ่งหมายความว่าการปฏิบัติจะต้องผสมสอดคล้องกัน เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนเกื้อกูลต่อกันแต่กันเป็นแบบอย่างให้แก่กันพ่อเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกปู่เป็นแบบอย่างให้แก่หลานเป็นแบบอย่างให้แก่พ่อก็อสืบต่อกันไปโดยลำดับอย่างนี้อันนั้นในในแง่สมมติปัญญาตเราจะเห็นว่าคําสอนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องสมมติปัญญาต ถ้าเราสรุปรวมคำสอนแปดหมื่นสี่พันของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีที่ไม่ใช่สมมุติปัญญาติก็มีโลกุตรธรรมเก้าตานั้นเองหรือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนอกนั้นเป็นเรื่องสมมติปัญญาติเพราะโลกส่วนใหญ่มันก็อยู่ด้วยสมมติปัญญาติแต่ว่าการสอนท่านปัญญวคัคคีนั้นท่นปัญญวคัคคีท่านเป็นมรสโสดาบันแล้วจึงสอนระดับวิปัสสนากรรมฐานปัญหาสาคัญว่า คนเรานั่นมองโลกมองชีวิตในแง่ที่วิปลาสหรือมันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเช่นเรามองสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามอย่างรูปร่างกายของเราเนี่ยเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกสกรปรกด้วยประการต่างๆแล้วเราก็ไปมองด้วยความกำหนัดเพื่อเพลินชื่นชมยินดีลงไหลครั่งคล้ายกันมีการปนเปื้อ บร่นบุงบำเรอกันด้วยประการต่างๆเพื่อจะกระจัดความปฏิกูลในร่างกายของตัวเองออกไปนี่ก็เป็นการมองวิปลาสคาดเคลื่อนแต่ความจริงที่เขาเรียกว่าสุภาพวิปลาสหรียว่าความในแง่ของความเป็นจริงร่างกายของเรานั้นเขาเรียกกุอายะคือแหล่งที่ประชุมหรือที่รวมก็สิ่งปฏิกูลทั้งหลายเราแตะกันตรงไหนก็ไม่มีอะไรสวยงามางผมควรจะฟันหนังอย่างเงี้ย โดยสีก็ดีโดยสันธานก็ดีโดยกลิ่นก็ดีโดยที่เกิดตนก็ ด, โดีโดยการทุ่มแช่ อ, อยู่ในปูโผโลหิตก็ดีเนี่ ย, ยแล้วแต่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดทั้งนั้นซึ่งไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปลงหลงไหลคลั่งคลายแต่ว่าจิตใจเราก็มีกิเลสมีราคะมีโลภ า, ม, ภามีโมหัอยู่การลหลงไหลคลั่งคลายในความเป็นรูปในเสียงในกลิ่นในรสในรสชาติมันก็มีอยู่เป็นปกติธรรมดา แต่ว่าท่านสอนให้พยายามมองให้ลึกซึ้งเพื่อขจัดความรู้สึกคือวิปลาสเ่านั้นออกไปยัาหนึ่งรูปนั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเราก็ไม่มองเห็นว่าเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนอันนี้ก็เรียกว่า น, นิจวิปลาสคือคลัดเคลื่อนเพราะมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงแล้วก็สุขวิปลาส คือมองชีวิตซึ่งเป็นก้อนของทุกข์เป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นจนพูดในแง่ของความจริงแล้วชีวิตก็คือก้อนทุกข์ก้อนหนึ่งทุกข์ตอนนั้นเกิดขึ้นทุกข์ตอนนั้นตั้งอยู่ทุกข์ตอนนั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับแต่ว่าเราก็มองในแง่ของความสุขพยายามแสวงหาพยายามไขว่คว้าเพื่อได้มาเพื่อถือครองเพื่อครอบครองกนด้วยประการต่างๆแล้วก็ เป็นอัตตวิปลาสคือมองเป็นตัวเป็นตนที่ทาววรยืนโรงดังกล่าวทั้งๆ ท, ท, ท, ที่มันไม่มีตัวตนอะไรนี่ก็เป็นหลักที่ต้องการจะขจัดความรู้สึกเหล่านั้นในกรณีนี้พระพุทธเจ้าทรงเริ่มด้วยอัตตวิปลาสโือการมองคลาดเคลื่อนจากความจริงว่าเป็นตัวเป็นตนที่ทาวรยังยืนไม่แปรผันเนี่ยเพื่อใจเกาจะเข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิตว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไง เพื่อจะได้บรรเทาความกำหนัดความเพลิดเพลินความยึดติดในกายตนและกายบุคคลอื่นออกไปประเด็นในที่นี้ทรงยกมาประเด็นเดียวคือประเด็นที่ว่าถ้ารูปมันเป็นอัตตาตัวตนจริงมันก็ต้องไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ประสบปัญหาปวดหัวปวดท้องเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ แล้วสมมติมันจะเจ็บขึ้นมาเนี่ยเราก็ควรจะสั่งมันได้ควรจะบอกกลาบมันได้อ่าเจ็บนะอย่าป่วยนะอย่าเหนื่อยนะอย่าอาพาธอย่าอาพาธไปประการต่างๆนะมันก็พูดกับมันไม่เคยรู้เรื่องเลยแต่เราสังเกตเราอยู่ร่างกับร่างกายชีวิตเราในเราอยู่กับมันมาตั้งนานแล้วนะตามอายุที่เราเกิดมาเนี่ยเราไม่เคยพูดกับมันรู้เรื่องสักอย่างนึ มันจะเป็นอะไรมันก็เป็นของมันตามธรรมดาของมันมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะเจ็บมันจะเครียดมันจะยอกอะไรต่อะไรมันก็เป็นของมันธรรมดาของมันเราก็ตามแก้ปัญหาให้มันแล้วเอาก็จริงพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่มันควรเป็นมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็แตกดับไปมันก็ตายไปเป็นธรรมดาเราหาของเราไม่เจอเลยในตรงนั้นเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงไว้ว่า เพราะรูปมันเป็นอนัตตาเนี่ยรูปจึงเป็นไปเพื่ อ, อาพาดและสัตว์ทั้งหลายจึงไม่สามารถจะตั้งความหวังว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแลวจากนั้นก็ทรงแสดงย้อนกลับมาเนี่ยเพราะว่ารูปเป็นอนัตตาเนี่ยเพราะว่ารูปเป็นหน้าตา รูปจําเป็นไปเพืเป็นไปเพื่ออภพาตและสัตว์ทั้งหลายจะไม่ได้รูปตามใจหวังขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอรูปของเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลยจากนั้นก็ยักยา้ายมาแสดงที่เวทนาเวทนาคือความสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างในพุทธศาสนาผู้เจ้าสูงจะนั่นแสดงเวทนาไว้หลายประเภทด้วยกันเวทนาหนึ่งก็คือเวทนาคัน์ เวทนาสองก็ออกมาเป็นสุขทุกข์เวทนาสามว่สุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาห้าก็คือสุขโสมนัสทุกขโทมนัสแล้วก็อุเบกขาเวทนาหกก็เรียกตามประสาสัมผัสคือจกขูดสัมผสัสสัจเวทนาความสเวอยอารมณ์ที่เกิดขึ้นประจากษ์สุสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยโตสต ส, สัมผัสสัจเวทนาความสะเวอยอารมณ์ที่เกิดขึ้นประโสตสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยก็นับเรื่อยไปจนถึง มนโนสัมผัสชาวเวทนาคือรวมไปเป็นหกเวทนาหก้วยกันในรายละเอียดนั้นเช่นในมหาสติปัฏฐานสูตรส่งสอนให้ดูที่เวทนาเก้าแต่เวทนาเก้าที่จริงดูยากนะมันละเมียดละไมเกินไปหรือสติสัมปจัญญะเราไม่มีความแดมคมพอที่จะรู้ได้เพราะงั้นก็ในตอนแรกก็หั ด, ดูเวทนาสามหรือเวทนาห้าจะก่อนเวทนาห้าสุกโสมนัสเนี่ยสุขก็หมายถึงสุกกายโสมนัสหมายถึง สุขใจทุกกระโทมันัดก็เหมือนกันทุกกระหายทั้งทุกกายโถมันัดกระหมายทั้งทุกใจแต่ถ้าเวทนาสามเนี่ยหมายความว่าสุขก็สุขทั้งกายทั้งใจทุกข์ก็ทุกข์ทั้งกายทั้งใจอะทุกขมสุขก็ไม่ปรากฏเด่นชัดตั้งที่กายแล้วก็ที่ใจนี่ก็เวทนาโดยเด่นว่าเวทนาก็เหมือนกันมันเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้เวทนาเป็นสุขอยู่ตลอดหรือว่าสบายเพลิดเพลิน บันถึงใจอยู่ตลอดเนี่ยเราสั่งการอะไรเขาไม่ได้เขาก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยของเขาเหตุปัจจัยสุขเขก็สุขเหตุปจัจจัยทุกเขาก็ทุกและที่สําคัญอย่างยิ่งคือใจเราไปยึดนะฮะใจเราไปยึดยึดถือในตัวเวทนาเหล่านั้นว่าเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์เราสบายเราไม่สบายเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาด้วยประการต่า ง, างๆส่งแสดงโดยโครงสร้างเดียวกันว่า ถ้าเวทนานี้จากได้เป็นอนัตตาแล้วเวทนานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่อาพาคและบุคคลพึงได้ในเวทนาตามใจหวางว่าเพราะเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเพราะเวทนาของเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็เน้นยำถอยย้อนกลับเข้ามาว่าก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นไปเพื่อาพาดและบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนา ตามใจหวังว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่งนี้เถิดขอเวทนาของเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลยก็แสดงให้เห็นว่าเวทนานั้นเ อ, อในที่บางแห่งในทรงอุปมาว่ามันเหมือนกับรูปเหมือนกับผ่องน้ํานะเวทนาเหมือนกับต่อมน้ําซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้เร็วเวทนาที่ปรากฏเราลองสังเกตว่าต้องการนั่งสบายสบายสายักพักหนึ่งออกไปเดี๋ยวมันเมื่อยเสแล้วมันเกิดเครดเสร็ จ, จแล้วมันเกิดย่อเสร็จแล้ว จะนอนก็อยู่ได้ไม่นานจะยืนก็อยู่ได้ไม่นานจะเดินก็อยู่ได้ไม่นานแสดงว่าทุกเวทนามันจะต้องเสียดแทงให้ประสบปัญหาอยู่เสมอเวทนาก็มีลักษณะอย่างเดียวกันคือตรงกันข้ามกับอัตตาตัวตนไม่เป็นเวทนาที่ยั่งยืนถาวารอย่างที่คนบางพวกก็เข้าใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกพรามล้วก็ปักใจฟังใจกันดูแล้วก็พอก็จริงมันก็สักแต่ว่าเวทนา ไม่ใช่เป็นทั้งของเราไม่ได้เป็นทั้งเราไม่ได้เป็นทั้งตัวทั้งตนของเราแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเวทนาเหล่านั้นย่างจริงเราไปรู้สึกว่าเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์แต่ก็จริงมันก็ไม่เอากับเราอะนะฮะมันมีเหตุปัจจัยสุขมันก็สุขเหตุปัจจัยก็ทุกข์มันก็ทุกข์มันก็อยู่กับมันอย่างนั้นไม่เคยอยู่ในบงการในการสั่งการก็เราแต่ประการใดจากนั้นก็ทรงแสดงทั้งสัญญา สัญญาก็คือความจําได้หมายรู้แล้วสิ่งที่เราจําได้นั้นก็คือสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งห้าทั้งหกนะฮะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเคยจำสิ่งที่เป็นรูปจําสิ่งที่เป็นเสียงจําสิ่งที่เป็นกลิ่นจําสิ่งที่เป็นร้จําสิ่งที่เป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็จําสิ่งที่เป็นอารมณ์ทั้งหลายซึ่งลักษณะของสิ่งเหล่านี้ย เราก็มีอยู่เป็นประจำแล้วเราเห็นได้ชัดว่าความจําำก็เราเนี่เอานิยายไม่ก็ได้เรื่องมันเรื่องจําแล้วลืมนะบางเรื่องก็ไม่ได้จําเมาไว้แล้วก็มีปัญหาเรื่องความจําำก็เราตลอดยิ่งเป็นการศึกษาแล้วเรียนเป็นการสอบเราก็มีปัญหาที่ความจําว่าคําถามบางอย่างเราตอบไม่ได้เพราะเราจําไม่ได้หรือคำถามที่เรารู้เราจําได้แต่เขาไม่ถามอย่างเงี้ยล้วก็มีปัญหาเรื่องความจํา วนตัวความจํามันก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันก็ทรงใช้ข้อโครงสร้างเหมือนกันว่าดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายถ้าสัญญานี้จะเป็นอัตตาแล้วสัญญานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาภารได้บุคคลพึงได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถอสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็เพราะสัญญาเป็นหน้าตาฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาภาร แต่บุคคลยอมไม่ได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถอะสัญญาของเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลยคือพระธรรมเทศนาในพระสูตรเนี่ยจะมีลักษณะข้อความในซ้าๆกันอย่างนี้เพราะว่าในสมัยพุทธกาลมันไม่มีหนังสือแล้วก็มีแทบคัดเสร็จไม่มีวิดีโออะไรจะไปอา่านเอาไว้เพราะนั้นทำให้พูดซ้าๆมันก็จะไม่ได้ จะไม่ได้ก็ไม่สามารถจะนํามาคิดได้มันเป็นระบบมีกฎมีเกณฑ์นในการคิดได้เพราะงั้นเวลาแสดงก็ยกขึ้นมาเราจะเห็นว่าโครงสร้างนี่นจะเหมือนกันทั้งหมดพอมาถึงสังขารก็ใช้ข้อความอย่างเดียวกันว่าสังขารทั้งหลายเป็นหน้า ต, ตาดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าสังขารเหล่านี้จะเป็นอัตตาแล้วสังขารเหล่านี้ไม่พึงเป็นไปเพื่อพาด และบุคคลเพิงได้ในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนวิสูตทั้งหลายเพราเพราะสังขารทั้งหลายเป็นนัตตาฉะนั้นสังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่อพาดและสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่ได้ในสังขารตามใจหวังว่าขอสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอสังขารของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยคำว่าสังขารในที่นี้หมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครอง ทั้งที่เปลี่ยนส่วนรูปธรรมแล้วก็นามรรมคือธรรมะทั้งหลายเนี่ยธรรมะทั้งหลายพวกกุศลแกุศลพวกกลางกลางทั้งหลายหรือว่าพวกทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายเนี่ยก็าเรียกอุปาตินากาสังขารสังขารที่มีใจครองอนุปาตินาการสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองเนี่ยทั้งหมดก็สรุปรวมแล้วก็คือเป็นสังขารด้วยกันนั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่เป็นอนัตตาคือว่าเราบังคับบัญชาเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้ แล้วก็สงกันข้ามกับอัตตาแล้วก็พอย่อยออกไปก็เป็นของศูนย์นะฮะเป็นของศูนย์เป็นศูนย์ยตาคือศูนย์ไปเลยแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของสังขารเหล่านั้นอย่างแท้จริงเราอาจจะบอกว่านั้นของเรารถของเราบ้านของเราเรือนของเราลูกของเราเมียของเราอะไรต่ละของเราของเราเนี่ยนะผลท้ายเราก็กํามือมาแล้วเราก็แบมือไปเรามาเราก็ไม่ได้อะไรมาเราก็ไปเราก็ไม่ได้อะไรไป นี่ก็คือสัจจะของชีวิตที่แสดงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายขันทั้งห้านะสะรุปรวมแล้วว่าขันทั้งหเป็นอนัตตานั่นเองทั้งฝั่งทั้งหลายได้ลงมาพูดทีญาณในวันนี้ขอยยุติไว้ด้วยเวลาอย่างเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจยมีแท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี